ا ل م لله من الشيطان رجيم س ل َ ا ل ر ح م ا ورحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ا ل م ن ب ي ن ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه ومن د ب ع ه ب ا ح س ا ن هي ودينه و ل ا ل ه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد ا ل يوم سبكم. เราจะพบเห็นในเรื่องรุนแรงความรุนแรงความโหมดเยี้ยมที่มาเกิดจากการระทรกระหว่างสองฝ่ายด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะการทำศึกเน มันก็ต้องมีเรื่องเรื่องนองเลือดเรื่องปกติ mm hmm. กเรียกว่าทำศึกทำ ส, ทำสงครามแล้วก็มีแต่แบบดา่าทอกันนะทุกที mm hmm. นี่เนี่นี่อย่างเี้ยไม่ใช่สงครามนี่นึกถึงเลือดกั้นเดียว mm hmm. ถ้าในอดีตนี่ก็คือ ใช่ใช่ดาบใช่ธนูใช่หอกใช่ที่การออกน้อยในอนดีตนะคนในอนดีตในเวลาเอ่ยคำว่าสงขรามนี้เขาก็นึกถึงฟันดาบฟันค้อนคอกระเด็นมือกระเด็น ห, หอทกทะลุอันนี้คือมนุภาพของคนในอนดีตที่เขาเคยเห็น เะื้อาสูงางันในปัจจุบันนีก็เรงมีใช่แบบเราเ้หมนี่ก็คือสูเบรดก็ำทยน์ที่รากนะแต่ที่จริงความจริงของสานกี่ป็นงนั เค้ดูกันในหังดิบของเล่นเออบางคนเนี่ยดูหนังดูสภาพสงคมหรือนักอู่จริงเนี่ยความจริงนะเสียงระเบิดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเสียงระเบิดในหนังนะเสียงระเบิดในหนังเนี่ยเขาเขาถนอมถนอมความรู้สึก ความสามารถโขผู้ชมงามจิงเสียงระเบิดไอพี่น้องที่เคยปรากตัวในสงขรามจริงแบบอย่โอ้โหว่าระเบิดลูกนึงอยู่คคือิบัตไม่ดูเลยะในร่งความรุนแรง ฉะนั้นพูดถึงเรื่องสองครามมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดถึงอะไรที่มันมันไม่มีวนเรื่องซับซ้อนที่มันอยู่ในขั้นต่ำหรือในระดับต่ำกว่าการเข็งค่าหรือลองเลือดป ม, มาแความเสียหายที่มันน้อยกว่านั้นนะบอกว่สงครามยู่ มีแต่คนตายเขาจะไม่พูดแต่สงครามมีแต่คนตายแล้วก็มีแต่คนะมีแต่คนหัวใจเขาอัวเขาไม่พูดเรื่องนี้มันมันเป็นความเสียหายขั้นตำ่ำควาเสียหายขั้นต่านี่มันไม่ได้ถูกตืออ่นแต่คุณผ่านเนี่ยจะหงจะคลิกมุม ทีมเบอคยทมันเป็นศิลปะของคนอ่านี้การอธิบายเครื่องหวของมนุษย์เรานเวลาเวลาเเวลาถบางหมัดรู้จักบางทีไม่รู้จักก็บางหมัดเล่าถึงบาก็มนุษย์เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เามันนีพระเจ้าพระเจ้ากลังกำลังพูดถึงเรื่องเน จะไมมีอะไรที่มันอัสจรรย์จริงๆโดยเฉพาะในคุรานจนเป็นเรื่องที่ทาให้แม้กระทั่งคนที่ไม่เชืมุสลิมในยุคนั้นเขาถึงกับสรุปนี่ยกับคนวณคุรานการอธิบายเรื่องราวของเหตุการ ความมาถึงเรื่องสงครามเนี่ยพระสุภารณวตารัได้พลิกหมู่ความเสียหายเนี่ยไม่ใช่เรื่องความตายเท่านั้นพระสุภารวตาร์ไม่อยากให้เราได้มองเห็นความเสียหายเนี่ยเรื่องนองเลือดเรื่องเหยนัดเรื่องตายก็คือเรื่องความเสียหายด้านวัตถุ นั่นร่างกายสิริมันมีเรื่องอื่นที่พวกเราต้องมองทะลุน่นสิ่งที่ทำให้พวกูุ้ศริกีนได้ไปแพ้ในสงคัามบัเพราะแพ้สงคัมบัดคนที่เสียชีวิตเจ็ดสิบกคนนี่คือความเสียหายร้ายแรงนะต่อพระสุภาโนวตาระให ให้พวกเราได้มองเห็นอะไรที่มันร้ายแรงกว่าความตายนั่นคือเรื่องสภาพจิตใจต้ร่างกายกมันมันเสียหายจะสงขารจะไม่นองเลือดที่จริงแล้วมันมีความเสียหายมากนั้นที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดสงขามที่ทำให้เกิดที่ทำให้เกิด ความเสียหายที ăm, ่คนไม่มีใครชอบผมก็อยากะให้เราได้มองเห็นเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะในมุองที่คนไม่อยากยอมรับจะเป็นฝ่ายของมุสลิมหรือเป็นฝ่ายของมุฮยมสัดละีนั้นในสงครามในสงครามบดเดรเนียองค์มาได้พูดถึงเรื่อง ความเสียหายด้านศิลธรรมในสงครามไม่ใชด้านไม่ใช่ด้านวัตถุนะความเสียหายด้านศิลธรรม่ายมุสลิมในสงครามก็พูดเนี่ยที่มุสลิมไปเป็นอัลลอฮ์ก็ได้พูดถึงเรื่องความเสียหายของมุสลิมด้านศีลธรรมและแทบไม่ได้อื่นเลยนะเรื่องความเสียหายเรื่องนองเลือดขึ้น เรื่องคนเสียชีวิตมันเป็นเรื่องปกติในสนงครามที่จะที่จะมีข่าวคนตายคนบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติจึงเป็นเป็นประวัติการที่จะมีคำพิมพ์มีกฎหมายมาพูดถึงเรื่องศิลธธรรมในสงคราม สบายจิตใจเรื่องที่มนุกต้องใส่ใจมากกว่าไม่เพียงพอสำหรับผู้สัตยานะที่คือรู้ทั้งทีแล้วหนูตัวเองมีมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในร่างกายของตัวเองแลว้วเาจะใส่ใจเรื่อง การกายอย่าเวแล้วไม่ให้ความสาคัญกับชีวิตที่มันอยู่ภายในภายในตัวร่างกายของเราที่จริงมันมันก็เป็นข้อแตกต่างอย่างสิ้นเชงนระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไม่ที่ศรเราก็เห็นเป็ชีวิตมุสลิมนะชีวิตอนดีกับชีมุสลิมชีวิตอันดีมาชีวิต โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันเป็นเรื่องวองทุกเขาเองไมยอมรับนะทุกข์นิยมเขาใส่ใจในเรื่องอะไรที่มันสัมผัสได้สิ่งที่มันสัมผัสไปได้เนี่ยเขาไม่เคยแขร์ในคำสงกรานต์ที่มีความจำเป็น ตรงสี้ว่าเหตุใดที่คนที่ประสมกับความแพ้เนี่ยความล้มเหลวเนี่ยถ้าว่าถึงเขาล้มเหลวเขาต้อเติอนทุกฝ่ายะให้เป็นบทเรียนแล้วมันจะเป็นบทเรียนสําหรับทุกฝ่ายแปลว่าฝ่ายที่แพ้ บทเรียนของเขาก็จะเป็นบทเรียนสำหรับฝ่ายชนะและฝ่ายแนะ้อะไรที่ทำให้ชาวมัคการี่พ้ายแพ้ในสงครั้งบัดรน่าหนี้เนี่ยอัลลอฮสุฮารุวะจาได้สั่งสอนผู้ศรัทธาบอกให้เข้มแข็งให้ อ, อ, นนน อ, อดอทน ไปเชื่อฟังเราเสู้เยียดแตีใช่ไหมซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นกำลังมันเป็นกำลังด้านด้านจิตใจสภาพสภาพรวมของจิตใจรวมของของกองทัพทั้งหมดเลย พอสั่งสอนมุสลิมแล้วอ่ะพวกพวกท่านเนี่ยให้เชื่อฟังอรราสู้ต้องเนี่ยแตกแยกให้เข้มแข็งให้อบทนเท่ากับเนี่ยคือบทเรียนของพวกเจ้าในสงครามบัดนี่พวกเจ้าจะได้เรียนฝังตัวข้ามาแล้วสุภาโลกาแนละ้ก็เอาจุดอ่อนของเขาเนี่ย وسانسون و س الله ن الشيطان الرجيم. ولا تكونوا الذين خرجوا من ديارهم بضروا رآء الناس. ويصدون عن سبيل الله. الله بما يعملون محيط. ي ا ك نعيمًا بعد نعيم. أياك جوابه. لا يتحملون. ทีบอกว่าพูดอ่านนีมีมีมีทั้งสะอย่าทำไรอย่าทำแต่ทำแบบนี้ไรอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี kas, ้ก ma ็คือสิ่งที่เอาเราต้องการให้เราได้ปธ <Yeah. S 2> ิบัติอย mm ่าทำแบบนี้ก็ส right? ิ่งที่เอาเราไม่ต้องการให้เราและสิ่งที่เอาเราห้ามไม่ใหอเราปฏิบัตินั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้อุชวิกีนีชาววกาเีไปแพ และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู <Charl ize> ้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไปด้วยความยิ่งผยองและอ้ออุ่นผู้คนเาบากว่าอบู j a h ล e อาบูอาูนี่ Abu นีสินีขันีอบู u Abu a b ูเด็ด a b ูเด็เอ่อ แล้วเียวลาจะพูดถึงเออคนนี้เนี่ยคือเอ่ อ, เ อ, อโทคนนี้คนนี้คน น, นี้บ่อนเอทำทาพนันน่ะนี่แหละเจ้าพ่อพนันแล้วเจ้าพ่อเนี่ยอาบูนเนี่ยอะเล ย, เยจ้าีอะไรกัไรโว่ไงเจ้าพ่อเจ้าพ่อไอความโู่เนี่ยเนี่ยประันไม่ใช่ซึ้งเขานะ นี่คือใช้ยาที่ตันบีแ่เขาที่จริใช้ยาเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในประเทศนี่ใช้ยาเขาเนี่ยอบุลฮักมัคนนี้มีเหตุมาคนนี้มีอุตยาปัญญาโอ้โหแต่ิยปัญญาเนี่ยฟังกูอ่านฟังไม่เรื่องนบีก็อบูจานอบูจาเนี่ใช้ยาติดลินชาวโลกยังเกียมากเลย อมบูเจฮันเป็นชายาต้นแบบเลยเรีะนะบูเจฮันเนี่ยพอเขาได้รับข่าวว่าคาราวานคาราวานสินค้าที่มาจากเมืองชามที่อัมบูสุฟยานนำมาเนี่ยกำลังนบีจะถูกจะถูกล้อมอันนั้น เขาก็เลยยกทัพยกทัพจะได้ไปป้องกันไปคุ้มครองคารวานและก็สู้รบกับท่านน่อใช่ป่ะแต่เป้าหมายใหญ่เนี่ยก็คือไปป้องกันคารวานไม่ให้โด น, นล้อมจากกองทัพของท่านหน่อยพอออกแล้วเนี่ยอบูซุกยาเนี่ก็เลยก็เลยเดินทาง ทางทางทะเลทางทางทางหกทางทะเลทะเลแดงซึ่งเรียกว่าหนีเส้นทางของท่านน บ, บีสโลมบสล์สโลม์จนรอดรอดีนหมายถึงว่ากองทัพของน บ, บีเนี่ยก็มไม่มีโอกาสที่จะทานก็ละกว่าจะไปนี่นะอบูซุลก็คงถึงมักการน ะ, ะอับูสุบียนก็เลยรีบส่งข่าวให้อบูเะฮันซึ่งเป็น เป็นผู้ใหญ่ของกองทัทที่เขายกทัพไปไปป้องกันบอกว่าเรารอดแล้วกลับไปเธอเรารอดแล้วนะเออมันก็ไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องออกมั mm ้ง hmm. เสียดายค่าใช mm hmm. ้จา่ายปปล่าอรบูชาบอไม่ไม่กลับเราต้องไปแล้วก็ไปปะทะกับอุมมัดถึงจะไม่เจอเนี่ย เราจะต้องไปถึงจุดที่มีกองทัพของน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยถึงน บ, บีมุฮัมมัดนี่จะจะยอมหนีไปนะเออเขารู้ว่าเขาเขาพันกว่าคนแล้วว่าจะมีถึงเท่าไหร่ล้วเราจะไปแล้วก็ปะทะเราต้องชนะเขาชนะต้งตุ ง, ตงสั่งสอนแล้วถึงน บ, บีมุฮัมมัดนี่จะยอมที่จะหนีแล้วก็กลับไปมาดินาเราก็จะต้องไปฉลองที่นู่นเชือดอูดกินเหล้าร้องเพลง มังบนปรีเนี่ยิ่งพยอมออกจากหมู่บ้านด้วยความยิ่งพยอมซึ่งมันเป็นจุดในเขาบอกว่าในยุทธศาสตร์สงครามทุกทุกยุทธศาสตร์แม้กระทังสามกก็ปปมีแม่ทัพนี่จะจ ะ, จะไม่ประมาทสถานการ และจะไม่ให้ความยิ่งทยองของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งในการในการนําทัพแต่คือคือจะนําทัพในทั้งทัพเนี่ยเพื่อจะได้ อ, อ, อบูจาลบอกว่าไม่เราต้องไปแล้วก็ไปเชือกปูดกินเหล้ากันทั้งคืนชาวอาหรับทั่วข้าวสมุอาหรับเขาจะได้รู้ ร, รู้กันนะมึงจะได้รู้ว่าใครเป็นไทยอ่ะนน ใ, ใครแน่เครแน่ใครแน่กัน อันนี้ไม่ใช่แม่ทัพอ น, นี้แมทีคนที่เอาจิใจของตัวเองเนี่ย น, นำชีวิตของคนอื่นไปสู่ความอาญาเนี่ไม่พิจานะรณาอะไรเลยรอขั้นดูมินเดียรออกจากหมู่บ้านของเขาแแสดงว่าการทำสงครามเนี่ย น, น, น, นับตั้งแต่ออกออกจากบ้านนทุก กองทํานี่ยต้งถามตัวเองมีความชอบธรรมหรืออกจต่บ้า น, นมีความชอบธรรมหรือเปล่าออกจะไปฆ่าจะไปเค้นฆ่าจะไปนองเลือดในเมืองบ้านเพื่อเพื่ออะไระในอิสลามมีสั่งสอนชัดเจนไม่มีนะที่จะออกเพื่อเอ้ยคนจะได้รู้ว่ามันข่ายไม่มีเท่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลาม ค่าเดียวกับคนอื่นที่ที่ไม่ชผู้สัทธาก็เรารสู้เราก็เราดู่ลก้อนที่เาทนี่เองคนที่ต่อสู้ก็แสดงความบ้าหลังความโกรธเราจะดูอยู่ก้อนที่ดูเล็มระมือคนที่ก็ต่อสู้ก็ต้องการสับสับเฉท่านจะมี มัน قاتل ใน سبيل ขอี่่อสู้เพื่อหน้นข่งพระองค์มนก็์ ق, ق ل ل ي ي ا ที่จตกองการคำว่าม่ายนะว่ใครที่ต่อสู้เพื่อให้พระบรมราชวงศ์ทรงต่างห้กนั้นแหละเสือว่าพี่เสีนั้นแี่สที่บอกกับพี่น้อว่าสงครามก็มีอะไรสงครามหรือเ่าสงคราม หากสนามมีการยกตั้งตั้งถังกับเครื่องบินแล้วก็มีสงครามด้าความคิดสงครามด้านความคิดมีอะไรเขียนหนังสือบรรยายโตเถียโตโต้ความคิดเช่นเดียวกัน มันเป็นมันเป็การทาสงครามเรืงสิ่งด้าความคิดมันยายจะทํรารการเขียนเรังสือเพื่อเอ้ยมันรู้บ้างมันโมเนยใครจะมีความรู้บ้างวะไม่มันรู้ให้มันรู้บ้างวะอันนี้ม่นจะมีสิทธช่ไ ในสงครามด้านความคิดมันก็เป็นมันมันก็คือมันก็คือสงครามมันมันก็คือการประทะแต่อีกมุมหนึ่งที่บอกและนักรบในวาสนามที่นบีบอกว่าต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ไกด์เดอร์มาเราสูงส่งบังเอิญการต่อสู้สงครามความคิดนี่นะ ให้พระนารวมสูงสงเนี่ยตรงนี้มันจะชัดกว่าบอเพราะภาคสนามนี่ในการต่อสู้ด้วยอาวุธนี่นะเพื่อให้พรเราเรวมสูงสงเนี่ยมันมันต้องแบบตีความนิดหนึ่งแต่การเขียนหนังสือกันและการโต้ความคิดความคิดที่มันกระทามันจะเห็นชัดกว่าวันนี้นี่ทําเพื่ อ, อเพื่อให้ ถ้าสมารถเราสูงสูงจะเหนะ็นจะเห็นชัดนะชัดกว่านะและเห็นเร็วด้วยเออคนนี้เขาคนนี้เขาบรรยายทําไมคนนี้เขาเขียนหนังสือเพื่ออะไรคนนี้เขาทั้งหมดมันเห็นและทุกทุกวิถีทางนนะ่ะเป็นจะเป็นวิธีการที่มันคลาสสิก เกินคุตุบบรรยายเล่มนหนังสือนี่เป็นเรื่องมีตั้งแต่โบ ร, ราณบราหรือเรื่องที่มันร่วมสมัยร่วมสมัยทําละครทํานาชีอะไรที่มันเป็นการโต้โต้โตโตอารยธรรมที่มันเน่าเฟะโต้กระแสนิยมที่มันต้องการทาลายศีลธรรม เช่นเดีกันแก็ไปสงขราม น, นละครภาพยนตร์นาชีพหรือการเคลื่อนไหวจัดกีฬาอย่างนี้เพื่อเพื่อเพื่ออะไรนี่มันเป็นรูปแบบที่ไม่มันมันไม่ใช่คลาสสิกละมันไม่ใช่รูปแบบดันน้งเดิมแต่ถามว่ามีความจำเป็นหรือ ม, มีความ เเอจะจัด ก, กีฬาให้ให้เยาวชนให้เยาวชนห่างไกลจังห่างไกลจังกลไกกีฬาที่มันไม่มีเสระครับมีไหะมีไหมมีดีนักเตะบอล น, น่ารวยที่สุดในโลกนะดูดีสั่เต็มตัวเลยเพื่อเพื่อให้ประเทศเราเราสูงส่งไว ตาสุดนีที่ที่ถูที่ถูเชิญไปวันเกี่ยมานั่งเลยออนี่เป็นเป็นฮีโร่เลยแล้วคนยังรุ่นผมรุ่นรุ่นตรงมารุ่นตูเนี้นะใช่เลยนะอ่อ่าแต่ถ้ารุ่นลังเนี่ยก็เอากูใช่เลแต่ารุ่นน้อเนี่ยก็ใช่เลยคนนั้น สองสามคนก่อนที n, ่จะแต่งงานสองคนหรือสามคนใส่ได้เป็นตัวอย่างนักกีฬาในนักกีฬาที่ไม่ได้เป็นโมเดลของศิลธรรมเนี่ยมันมันก็คือสิ่งที่เหือนบเราอยาได้ได้นักกีฬาไม่ใช่มาออมเสียะไม่ใช่นไ่ากได้นักกีฬาพอได้เข้าประตูร สุดยดเ น, นี่อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้อันนี้อนี้แล้วเธอบอกแล้วว่าอยชุกโกมเพรเพราะยิงเข้าประตูได้สองล้านเนี่ยไม่แน่ไม่นูปแล้วเท่าไหร่นม่ใช่สุดยอดสุดยอดชุกโกรมใส่กางเกงสั้นหนึ่งเงี้ย เออมีน้ำละมารึไม่มีน้ำละมารึก็ไ ม, ม, ม, ม่รู้มันเป็นนี้เยอะไม่ใช่ว่านักกีฬาที่แบบว่าเออดูแล้วมีจริยธรรมถึงเวลานะมารละมารเพื <c oughs> ่อจะให้เล่นแบบชมแต่เวลาละมารไม่เล่นแ้วไม่เล่นก็ออกกูกูออก เลยไม่อยอมไม่อยอมเออได้ได้รู้จักไอ้เธอแอเนี้เออนักกีฬาที่แบบว่ายี่งเนี่ยในเรื่องที่มันที่มันชัดเนี่ยที่มันที่มันนะนักกีฬาที่แบบว่าเออเล่นแล้วเนี่ยไม่มีดาทอมไม่มีอะไรแล้วจะชนะจะแพ้นีก่กับจิตใจเสมอภาคเนี่ยอะไรที่มันเป็นศิลธรรมเรา ต, ต้องการแบบนี้ เป็นสิ่งไม่ได้นะกว่ที่หลาวเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยชีวิตของคุ ณ, คณการเมืองเนี่ยเป็นปันจจัยสำคัญไหมสาคัญเปิดทีวีเปิดข่าวดิต้องมีข่าวการเมืองอ่ะมีม้าขามไม่มีการเมืองไม่มีมีม้าขาวไม่มีบอลไม่มีือลตัดสิวนว่าเป็นปันจจัยสำคเมือนเหมือนการเมือง บางทีนี่ก็แสงข่าวการเมืองด้วยถึงขั้นทีวนี้ก็มีช่องช่องกีฬาองค์กรกีฬารวย่าองค์กรกาเมงสิบสิบหกสิบสี่ทอน วิกฤ่ท็ปไบ้านเนี่ยมันลงนะเอามีตัวเซมถ้าเราไม่มียูทูบศาสตร์ที่กันที่จะสร้างที่จะคำกีฬาที่จะหักล้งภาพ ถ้าไม่ดีก็เวลาแบบนี้เราก็จะเสียเช่นเช่นบันเทิงทุกประการเพลงดนตรีที่มันทําหลายสังคมเราไม่ได้บอกว่าเอราต้องมีเพลงและดนตรีเหมือนเดิมแต่เราก็ต้องมีมีบันเทิงอะไรที่อยู่ในกอบองค์ศาสนา ใครที่จะเคล่นคัดใครที่จะวะนร้อใครที่บอกว่าทำในชิดอะไรไ ร, รสาระไม่มีประโยชน์ท่านท่านไม่ต้องกังก็ได้แต่มันจะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ในสังคมที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราและคนเหล่านี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อของบันเทิงฮารอม พราเราในฐานะที่ขึ้นไหวกันในในด้านการฟื้นฟูศิลธรรมในสังคมแล้วก็ไม่ไม่มียุทธศาสตร์ในการที่จะบุกรุกพื้นที่บันเทิงทรองเช่นเช่นดี่จะบุกรุกพื้นที่กิฬาฮารองกนะนนู่นเราเสียเาไปเพราะเยาวชนนี้ก็เป็นเหยื่อของกิฬาฮารองแล้วก็บันเทิง อะไรที um galaxies, player, ่มันตามมากับสัง่างนี่ก็เป็นที Host ่รู้แล้วทุกๆขึ้นไหวในในสังคมอ่ะนะถ้ามันไปในที่ตามที่ฮารอมอ่ะแล้วแน่นอนจะต้องเป็นเหยื่เจ้าัวท่องเที่อวท่องเที่ยวที่ฮารอมแล้วเราจะต้องมีท่องเที่ยวที่ฮารามด็ใช่ต้องนำเสนออย่างน้อยเนี่ยเราต้องเสนอ เชิญดดีเสียก่อนการท่องเที่ยวที่ฮานาทายังไงออกแบบรูปแบบมันต้องเป็นยังไงยังไงเราจะได้มีทางเลือกเขามีคนเขาเขาไม่อยากเขาไ ม, ม่อยากที่จะเที่ยวแบบพารอมเขา อ, อยากจะเที่ยวแบบสะอาดก็มีเหมือนกันหรือคนที่ก็ไปเที่ยวแบบพารอมแล้วเขาเขาถ้าเขาเห็นว่ามีเอ้ยท่องเที่ยวที่มันหายที่มันสะอาดสั่งสรรและดีนะเขจะเลือกของเบา แต่เดาเขาไม่มีละนะไม่มีเขาแบบสงามลุกสงคราหมนะเ <c oughs> ขาเราดูมินเดียดิ่ออกจากหมู่บ้านของเขาแสดงว่ากำลังเสกิษเ ส, ก, ก, ส ก, กิดใจผู้สตาร์ทุกเจ้าจะต่อสู้ยังกะตันงตองออกจากหมู่บ้านในฐานะตัวเองออกจาไป ออกไปทำอะไเช่นเดียวกันออกไปศึกษาออกไปทำงานมุมหนึ่งของการเรียนรู้การศึกษาการทํางานของเราผมก็เป็นเป็นการต่อสู้ทุกคนที่แสวงหาริสกีที่ฮาลาลนี่เขากำลังต่อสู้กับกับการเส็นดิสกีที่ฮามรู้ไหม เพรการีเราเลือกอาชีพที่มันฮาลาลเท่ากับเราปฏิเสธอะไรที่มันฮาโร่และนี่คือการแข่งขันด้านด้านการค้าและการการแข่งขันเนี่ยในข้อที่จริงของมันนี่ก็คือการต่อสู้นะสงครามด้านเศรษฐกิจเรื่องสงครามเนี่ย น, น, น, นี้เอานี้ไม่เอาโมเสสเว่ามันเปนสงครามแล้วใช่เราเลือก สิ่งที่ฮัลโหล่ปฏิเสธสิ่งที่ฮารอมเนแสดงว่าคนที่ผลิตสินค้าที่ฮารอมกับคนที่ผลิตสิ่งที่ฮารีนั่นเาเขาอยู่เขาอยู่ระหวา่ขางการแข่งขันการต่อสู้กันแหละแต่สังเกตมาว่าอาลุกมากว่าพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาไปด้วยความ ลืงพยองและโออวดผู้คนนี่คือความเสียหายที่แท้จริงของเจากรรมกันทั้งทังที่ที่เขาเสียหายนี่ก็คือเรื่องน้องเลือดเรื่องเรื่องเขหนข่าเรื่องบาดจิบเรื่องพวกก็ เ, เ, เสียหายเรื่องนี้นะต่อเราโมพิมุติแต่ที่มันเป็นความเสียหายจริงนี่คืความเสียหายได้จริงอยา่างเรื่องสิทธธารม เราจะเห็นคนคนหนึ่งร่างกายของเขานีอุกข์แข็งแรงมีกล้ามมีสุขภาพเสียงเป็นแรบนีแก็อย่างที่มาว่าใจเขาเนี่ยมีหัวใจวายหัวใจตายคือหัวใจที่ไม่มีอิบัตแลไม่รู้จักบักว่าไม่รักศีลธรรมไม่ชอบทำความดี แต่คนอีกคนนิงร่างกายของเขาสรีร่าของเขาไม่แข็งแรงอ่อนแอเจ็ป่วยเต็มไปหมดเลยแต่หัวใจของเขาดีแค่เพียงอันที่จริงอย่างไม่กลิดนี่นะร่างกายเดก็จะช่วยอลยรไม่ค่อยได้เพราะคนนี้ร่างกายแข็งแรงก็จะเจ็โรคชนิดหนึ่ง โรคชนิดเดียวนะไม่กี่เดือนมันตายแล้วอีกคนหนึ่งโอ้ยี่สิบสามสิบโรคชนิดอยู่ในตัวเหมอคนนี้หมออีกสามบีอีกคนหนึ่อีกสิบปีไม่ยองตายสัที จิตใจที่ทําให้คนคนเขาสามารถต่อสู้ต่อสู้กับกนะำลังใจที่เขาสามารถต่อสู้กับ ร, กรูปต่างๆสำคัญกว่าหมอทุกคนหรือที่คนที่เป็นมะเร็งนะคนที่สาคัญที่สุดเนี่ยกาลังใจบางคนเนี่ยนะโอ้แข็งแรงเป็นดาราเป็นคนสุขภาพพุงเต็มที่เนี่ยผมห ม, มก็เป็นวัเป็นลมเลย เป็นลมเลยอีกคนหนึ่งอาไม่ไม่ไม่ธรรมดาเป็นคนธรรมดาธรรมดานะแต่แบบหัวใจของเขาเนี่ยเป็นเป็นหัวใจที่มีศีลธรรมเป็นคนทําความดีอี้นี่นีเกิดขึ้นจริงเด้ะนะเอ่อท่านมีรูปรูปหัวใจป่ะนะอือเลี้ยงหมอ เขานนมี่ัวรเหรอต้องครเลกัพระเจ้ากัหมดอย่างนั้นก็จะเป็นได้แล้วก็ต้องยอมแล้วหมอโมงนี้ซึ่งมันเป็นมุมมเดียวนี่เกี่ับือความร่างกายที่ต่างจากคนอื่นหมอบอกว่าคนอื่นเนี่ยอกโผมจะแจ้งว่าเขามีมีโรคหัวใจแต่เขาเป็นลเลยยังไงไม่ตายป่ะตายป่ะเย การกายของเขาในตอนนั้นช่วยไม่ได้ก้าวมันช่วยไม่ได้ถ้าถ้าจิตใจสภารพจิตใจเนี่ยไม่สำคัญอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเอ้ยอย่าเป็นเหมือนพวกชาวมักกะนี่มันแพ้มันตายเล็กเฟกไม่มีไม่มีความเสียหายเนี่ยอัลลอฮ์อยากจะปลุกฝังกับเราเราอย่าไปติดใจเสียหายเร้่อวัตถุเรื่อง เรีไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจมากแต่เสียใจมากกว่าในเรื่องอะไรในเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสี่นครับมต่อมาบวกกับภาความหยินความเยือกหยินยินกัยอเรียเอ็นนัสเนี่ยเรียเนี่ก็คือเรียกนั่นแหละเดียวกันเรียเอเนี่ยก็ครียกเดียวกันครับเดียวกันเน้่ยบางครั้งนี่ก็อารีบาครั้งก็อารีย รอันน่าะอื้นผู้คนนี่คือความเสียหายภายในจิตใจซึ่งมันร้ายแรงพอสมควรที่จริงหนึ่งมันร้ายแรงที่สุดเลยความความหยิ่งผยองนี่ก็คือก็คือโรคที่ร้ายแรงที่สุดบาปใหญ่ที่สุดที่มนุษ ذكرتهم ل ب ن ب ا ب راك هي الله سبحانه وتعالى هو عفو من بعده، هذا هو باب إنس كبر. سُبُوَد أَدَمَ ل َ ع ي ْ ش َ خ ل ق ت ه ُ خ ل ق ت ن ي م ن ن ا ء ٍ و َ خ ل َ ق ت ه م ن د ي ن ه أ ن ْ ت م ْ ت و ْ ب س ا ع َ د ف َ ي ه ِ م ن ْ أ َ ص ْ و َ س ا ع َ د ْ ت َ ن ك ب ْ ي ْ ن ِ م ِ ه ت َ ن ب ل ِ ب ُ ا ل ا ي د خ ل ا ل ج ن د ة َ ل م خ ا ل ِ م ا ك س و ا ء م ن ك ا ن ف ي ق ل ب ه م ث ق ا ل ذ ر ة م ن ْ ج ب ر م ا ك َ ا س و ا ء ً ك ل و ج ه كَانَ م ِ ه ل ه ي ي د َ ر ل ي ر ة ا مَنْ ك ا ن َ م ل ي ٌ ث ل ر ة مَنْ ك َ ن مِنْهُ ل ي ความหยิ ìn, ôn, th ôn, ่งความตะกํารบุญที่เท่ากับบุญเยไม่เข้าสวรรค์ดิสนีย์เคยบอกแล้วอ่ะดีความสองความหมายไม่เขาสวรรค์เลยก็คือคนที่มีความอยู่งผยโหมีความมีความตะกํารบุโดย و استحلال ش ي ف ي حلال ه ا أني ك ث ا م و ل ا ل م ي دي ل ا ل ه ن ة ไม่เข้าสวัสค์ก็หมายถึงชั่วคราวเหมือนอย่างลิซบทที่แริสูจนมาว่อย่ น, นีพูดถึงเรื่องการเข้านรกแต่ไม่ใีหมายทั่ว่าเข้านรกอยู่ตลอดกาลอันนี้ก็เหมือนกันไม่ยู่หมายถึงว่าไม่เข้าสวรส์เลยตลอดกาลเช่นในเันทองของบุคคลน่ถ้าเดียวมาสัตว์นการไม่นิ่งเป็นใครทีสวมเสื้อผ้า เรื from And that? ่องู้หเลยตตุ่มันี้สำหรับผู้ชายเนี่ยที่เลยตะตุ่มเนี่ยเป็นเนรดกมนี้ตายเสียใต้งเก่งเลยตะตุ่มน่หนึ่งอยู่นโลกตลอดการนะนี่แต่นี้ก็ต้องมีความหลายอย่างนะถ้าเกิดมีใครเล่ามรื่องวนาัหมายถ่ว่คนที่ใส่เสื้อกาสรผู้ชายนะแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ย ส่งเสริมให้เลยจะตกแต่สาหรับผู้ชายเนี่ยที่เลยจะตกที่จะเป็นบาปแล้วก็จะถูกลงโทแบบไหนมีเงอนไขอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึงเด็นห่อยากจะบอกว่าเรื่องคิดบุญเรื่องเรื่องความหยิ่งเนี่ยมันเป็นบาปให่ทั้งดังดีความหยิ่งความเย่อหยิง มันไม่ต้องมันไม่ต้องกินอีกนี้มันไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอาวัยวะของเราไม่ต้องขยลื่ไปไหนเลยทำปากใหญ่แล้วนึกออกมั้ยเรา ส, สมมตสิสมม ต, มมตไมิไปที่ใส่นาฬิกา เ, าเราใส่านาฬิกาเาเล็่เี้แต่เหนควใส่ใส่กัน่ ผมไม่ได <stairs> <laughs> <laughs> <ank ha>. ้ทำอะไรเลยมันแต่ก <laughs> so, <hel ayım> ับมดไปละอาจจะไม่ต <sm all> ้องฮึกก็ได้นะฮึกคนไงาใส่เยสเร่อสยอะไรเียจะเก่งขมะแล้วก็แก็แทนด้วย มาเด็มเลยซึ่งเขาถูกเปล่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่แต่ในใจเราเนีนะดูถูกเขาไปาแต่ขับรถเบนผ่านตัวยู่ต่ออัต่ก็บ่นไปอยาคิดว่าเออมันเรื่องยี่ห้ออย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ บางทีเนี uh, so, ่ยใส่หมวกนี่ใส่สปันกันอะสรปันสองสิบมือกนเถอะที่นเนี่ยเออสรปันสองสมืนี่สนสอสิบสันต่คิด่านี่ตัวอย่างของเรื่อตะกบุตรีมันอาจจะเกิดขึ้นกับพวเราโดยที่มัรู้ทั้งซึ่งมันเ็น สัคมสงเสื้อเรื่องตะกำบุนส่งเสื้อเรื่องตะกำบุนแมสเนี่ยสองบาทที่ก็โอเคแล้วต้องทําแมสเป็นเพชรเป็นเป็นไข่มุกเป็นอะไรนราคาเป็นล้านเนี่ยเพื่ออะไรคนที่จะใส่แมสเป็นเป็นเพชรเงี้ย เราเป็นเพชรพอเป็นเป็นไข่มุกไปได้และแลจะจจะมองมองคนที่ก็ใส่แมสอีสองบาทนอีแมสสองบาทนีท่แล้อนี่แมสสองล้านบาทแ ล, แล้วงไงเราจะไม่โดนโควิดนั้งไงก็มีให้เห็นที่สุดอย่าหลงอย่าหลงกลโฆษณา สุขเ่ชายอะไรเงี้โฆษณาอะไรเง้ยยกระดับชีวิตอันนี้เป็นการเชิญชวนให้ดูให้ดูถูกให้เราเนี่ยขึ้นเหนือแล้วก็มองมองคนอื่นอยู่ระดับข้างล่างไอ้คำสัท์ไอ้็วกไอวอดิงเนี่ยเป็นวอดิ้งแต่กับบดหินพายองทั้งจรินยกคระดับชีวิตยกระดับกานน อไรแนี้ต้องระวังจะหลงกลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นประโยชน์มีความสวยงามหรือใช้ได้แต่มี่งขึ้นให้สังเกตฮารีเนี่ยที่มันอึดอัดขวานนี่จะนั่นอยูไม่ข้าวรูปหัวใจของคนที่มีเท่ากับบดตัวเล็กเนี่ยเป็นตะกบบดเนป็นความหยิ่ขย้อนอย่างนี้ไม่เข้าสวรรค์นะสหมากุ الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعمه حسن. مخندق ط ت ي ن س ع ي و ا ن و ا ن و و ا و ث ا ن ن و ي و ا ا ن و ا ن و ث ا ن ا ن و ا ن و ثانو ا ن و ثانو ا ن و و ا ا ن و ا و ن و ن و ا و ا ا ن ا ن ا و ن ن و ا ن ا و ي ا ا ن و ا و ا ن د ث م ا و ن و و و و و ا ن ا و ا و ن ا و เราขับรถเบนเนี่ได้แต่ไม่ต้องดูถูกคนนี่นั่งตุ๊บๆนี่มาูนคนะระดับ ก, กันมองว่าเขาอยู่ข้างล่างยิ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้ตัวจริงนะนะเรานี่จะรู้ถึงแม้ว่าเราขับรถเบนเราอาจจะเป็นคนเลวกาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เออนี่แสดงว่าเรามีศีลธรรมจริงๆเร า, สาใสนาฬิการโลหะห้าหมื่นได้เราถ้าเราทําหน้าที่ในเรื่องทรัพย์สินของเราปุ๊บปั้งนะไอของแบบ ของสักที่เราเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยสําหรับบางคนเนี่ยซื้อไม่ได้รายได้เขาสมมุติแต่รายไเงินเดือนเขาห้าหมื่นแค่ห้าหมื่นเนี่ยก็ซื้อนาฬกาเรือนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือนี่จะกินที่ไหนจะอะไรที่ไหนอ่ะนั่นก็ต้องไปขอทานไม่ได้แดีวคนที่จะซื้อนาฬิการโรลิ่นี่ก็หมายถึงเขาต้องมีมากกว่าไอห้าหมื่นนะี่เนี่ยหลายสิบเท่านะ ถึงจะซื้อนาฬิกาตัวนี้ได้แต่ต e. ้อสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้แล้วก็เราก็ออก ส, ouais? สัการแล้วก็ทําหน้าที่ทุกอย่างแล้วถึะซื้อนาฬิกาเราไดแล้วก็ไปเจอคนฮะซื้อนาฬิกาห้อาพุนหกสิบบาทนี่แหละห้าสิบบาทก็มีแะบเราแบบไม่มีนะโม่เลยห้าสิบบาทยังมีแล้วก็มันมันก็ทําหน้าที่ของมันอาฬิกาห้าสิบบาท เขาเนี่ยแม้แต่นที่ด้ถูกถูกมาเราเยอะแต่มือเขาเนี่หัวใจเขาเนี่ยสมองเขาเนี่ยอาจจะเลือนมาเราเนี่ยไม่รู้ถูกฝึกฝึกฝนให้เราได้ใช่ยหมอุลามได้อัิบายนอัลลอฮอัลอฮฺมัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัอฮฺอัลอัลลัลลอ أياديهم لي ا ي أيادي وأما ينزور عليه، و ب ه ا وأما ب ن ع م تربي سون ن ي م ه قام ب ر د ب ر الله ح د ث ح د ث ما يسموه، هاي ب د ب ر الله هاي เ ي م ي วามสา ا ي เรื่องค ب ر ب ا ن تان ت ن ن ن มีความสามารถที่จะอยู่บ้านดีอากาศอยู่บ้านดีมีความสามารถที่จะนั่งรถดีนั่งรถดีแต่หน้าที่อื่นๆต้องทำด้วยนะต้องเหมือนทําดีทํำได้แต่ทําแล้วก็สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮ์แล้วไม่ดูถูกคนอื่นวิ่งอยู่ในี่ก็เลยแบบอัลลห้ามไม่บูสต์ทา ทำเหมือนพวกที่ออกจากหมู่บ้านของเขาด้วยความยิ่งพยูดเริ่มเริ่มเรื่องตะก บ, บนนะุน่ะเธอเป็นบาใหญ่วยาสุดดูนะอันสบิลิลละ่ะและขัดขวางให้เขวออกจากทางของอเราไงอะ่ะขัดขวาง อ, อ่ะฮะจูกำลังออกจากบ้าน จะไปมสิดเนี่ยเจอบังหมัดบังหมัดบังมาทาถามดูไปไหนไปมสัสยิดลูนี่เปดิด้านใหม่งบารากูนนี่ขัดขวานีเลยแรงนะนีแค่ยกตัวอย่างจะมียึติดชื่อหรอนี่ขัดขวาเหมือนดังก็ลู แต่ลองค้นดูสิคนที่ตะการบุเฉอย่น eh ั uh> ้นไมอะไรแคตะกบุน <um ันบาปบาปาากว่าีคนนี้ขัดขวางนี่แต่วกนี้เน่ยกว่ามันมีทั้งสองอ่ะเห็นไหมล่ะคนบ่นเลยมีทั้งสองเลยวันสุดทนะว่าอีกด้วยนะและขัดขวางก็คือเขาบอกว่าเออ เออเราต้องไปถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหัว่าจะไม่จะจะหนีไปเนี่ยเราต้องไปต้องชืดชืด อ, อ, อูเต็มที่กินในเต็มที่กินเล่าให้เต็มที่ร้องเพลงปังดนตรีกันให้เต็มที่คนจะได้รู้ว่านี่คือเราคือใครอ่าคนจะได้ไม่ไม่จะอึกไปตามหัวมัดถ้าผมจคนจะได้ไม่คิดจะไป หลงตามมุฮัมมัดในเนื้อความเกี่ยวกับที่ต่อต้านอิสลามแม้ว่าเป็นประเทศมุสลิมก็ได้มีอะไรแบบนี้มีอะไรแบบนี้ยวชุนขอยอวชุนพริ้งครับแลมาสุบ์ที่มัสยิดไว้คราวคติกาที่มัสยิดท่องจำพุดอ่านถูกเชิญ ไม่ใช่ปรับทัสนคติสามวันนอนอยห็นดีในบ้านอ้ไรแบบนี้นแบบี่เล่นๆถูกเชิญสาวันถูกถูกป ร, ปรบบับร่างกายไ่ดีให้รู้ตัวตกลงออกจากนี้จะทำยังไงโกนเขาครับ แล้วที่ได้ยินว่าไปมาหาอะไราไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่ยุ่งกับอะไรถ้าไปน่จะมีแฟนหลายคนครับเออถูกกูออกไปถูกกูจะไปตรวจสอบเนะ่ยพอออกแล้วอ่ะนะก็จะมีคนไปตามอมามาสิที่ใกล้บ้านมาแล้วอนะ่ะไม่มาไปที่มาหาอะไราเอยเจอสุบุรีนั่งกับผู้หญิงคยกับผู้หญิงเนี่ยเนรายงาน อู่ในแนวทางที่เทียงตรงเลยครับให้มัดรู่องนนะั้คัดขวางคนทั้งมดเมือเ่อไงใครที่จะใครที่อยู่ในทางของศาสนานีแนะถูกคมคู่ในี่ยกลัวว่ารู้ว่าเนยว่าเออจะถ้าจะยื้ออย่างนี้นี่ยมึงต้องเสียหายต้องเสียหายแนะ่ จะละหมาจะมั้ยจะะมาสุบชนะสนุกจ้ะมัตรงเจอไม่อยากจะมีแฟนจช่มะตรงเจอไว้เขาจช่มะตรงเจอคนจะได้เลิกไว้เขาคนจะได้เลิกละหมาจ้มะมั้ยสิ่คนจะได้เลิกใส่โต๊ะคนจะได้เลิกเห็งครับใคร้ท้ า, ากันเลยในยบายกรุ่นเทพหันหน้า ในสนามบินถ้าคนใส่เสื้อ 9, ก้าวน์กาเกนสั้นและสั่เต็มตัวนะแล้วก็แล้วกะกัดผมเหมือนไก่ชนจะจะถูกเรียกจะถูกเรียกตรวมบ้างนักไทอ่ะรู้ไหมว่าระเบียบของนี่หของสนามบินส่วนตะ ระเบียบเนี่ยถ้าใส่โต๊ะนี่นะไม่สุ่มนะไม่สุ่มตรวจนะถ้าใส่โต๊กนี่นเรี่องเลยเขาบอกว่าให้ตรวจคนที่ใส่เสื้อผ้าหลวมหลวๆหรือหรือโต๊ะโต๊ะอย่างเงี้ยเราจะรอในี้นโต๊ะมาโต๊ ะ, ตะผมไปอ่านมาแล้วระเบียเพราะเขาถ้าเขาจะบอกว่าใส่ใส่เสื้อหลุวมๆแบบนั้น เจอหลหลวงมันก็มีมันก็มีอย่างอื่นเลยนะหาเหลืองเนี้ยหลงหลวงัอ้ออแล้วก็อะไรอ่ะชุดชุดหลวงพ่อบาทหลวงเนี้ยมันก็ตัวเหมือนกันนะแต่ทีเนะ่เขาก็ตรวตจนะ เ, เขาก็ตรวจหมดเลยทน้องเนี่ยเขาก็ตัวจหมดเลยภาคเขาก็ตรวจตลอดก็ตรวจแต่แต่เขาไม่แต่เขาไม่เขียนไง ถ้าใส่ผ้าอะไรอยงนี้ก็ด้แต่เขาไม่เขียนางในระฐวิทยวที่ไม่มีไงแต่มีคำว่าตัวทาไมอ่ะก็ทาให้เราได้ใส่ตัวทุกทีเ่นะคนพวกก็ะพานไอ้สัก์เต็มทัวกับพานี่ก็พานนก็ะ่านเราคนเดียวที่มีแล้วก็อุตส่าห์นี้ไม่ได้ใส่อะไรที่มันทำให้ไอ้นี่มันไม่ดังนะคือว่ามันก็ไม่ดังแล้ว สุดท so, ้านเนี่ยไปนับเป็นนไม่ใส่ตัคุณมันจะรู้พวกมึงจะได้เลิกใช้ตจริงนะไป้ดนแต่ผู้หญิเลิกใช้ตัวเลยทําไมเสียเวล่ะเสียเวลาแล้วก็มีครั้งอ่ะสายยอมตัวแล้วนะอ่ะผูหญิงผูหญิงจะมาจะมาอันี่มะ เราขอผู้ชายไม่มีต้องรออีกโอ้เครื่องจะตกเครื่องแล้วเสียเวลาดีที่สุดนี่คือไม่ใส่โต๊ะในแบบนี้ทั้งๆดีคนที่คิดจะระเบิดเครื่องมีนี่ยเขาไม่ใส่ โ, สโต๊ะนะเข <laughs> ค, คิ ด, คดที่จะเอาเอาเอาระเบิดแล้วเอาปืนแล้วนี่ไม่แน่นอนเขาก็ต้องแบบเอ็มแเบบนี่ย แบบว่าทําตัวให้แบบว่านินเนียบหน่อยนะที่จับไปทั้งหมดในคดีทั้งหมดนี่ที่ถูกจับเนี่ยไม่มีใครใส่โต๊ะเลยนะแต่ทําไมทุกวันนี้นะถ้าใครมีคราวใครคิดจะทํำวินาทกรรมเขาไม่ไว้ข่าวนะแต่ทําไมคนที่ไว้ข่าวนี่กระนั้นเงินเงินกว่าเนี่ก็ ก็ไปนอนเมือเหมือนไม่ได้ใส่ตุกแต่ใส่หมวกก็ธรรมาดาเหมือนเขาบอยใส่หมวกใช่ปะเออเหมือนข้อบอยใส่หมวกแล้วก็ผมใส่กับเสื้อตุ่งธรรมาดาแล้วก็ใส่หมวกก็ไม่ไม่ถีโต๊เนี่ยแล้วก็ผ่านไอ้นี่ยนะมันไม่ดังผมก็รู้ผมก็เลยตัดหมวกมันไม่ดัง ทำไมะนรับทำไมเนี่ยสอนสุมสุมตรวจทำไมต้งองมาสุมกับผมอ่ะไม่มีครับสุมนี่ก็ต้องมีเหตุมีผลนะผมไม่อยอมให้ตรวจเรียกวนนะ่าหน้าเพตอนนั้นาไปเร็วหน่อยก <laughs> ็เลยมีเวลา เรียกหัวหน้าหัวหน้ามาต้องสูมไม่เป็นไรผมขอดูระเบียบได้ครับเอาเป็นเป็นรายลักษณ์สอนใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มเนไปเอาหัวหนา้าเขาเอกคนนึงเอาหัวหน้าเขาเวียเอกคนมีอะไรเด็กคะอ่าเป็นคุณแป๋ปปวผมรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติเข้าไป ผมผ่านเรื่องนีแบบนี้เยอะแล้วเหตุผลมันต้องแบบนี้มผมไม่สะดวกถ้าถ้าถ้าไม่มีไม่มีระเบียบชัดเจนอะไรพวกนี้ผมไม่ไม่เห็นเนื้อในตัวก็ว่ากันตามเลยมาป่ะถ้าอย่างนั้นถ้า่นั้นไม่ต้องเกิดกันเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็จริงเรื่องนึงก็ไม่อยากจะเล่าก็เดี๋ยเตัวเรื่องเดี๋ยวในงานนี้มันจะออกอากาศแล้วกันหา พู <t os olo i> a, ้ตัวแต่ก็เขาก็เห็นใจนะที่เราไม่ต้องทกันได้ออใครจะรู้ไออไม่ช่ทุกคนที่ไว้เขาอ่ะนะกูจะถีบมันได้กูจะเหยียดหยามมันได้เออยังไงจะไอ้พวกไว้เขานี่มันยังก็ยังไงก็ได้ไม่ให้รู้บ้างว่าเออคนคนที่คอยเขาเขามีศักดิ์ศรีผมบอกเขาในวงรู้สึกว่าถูกเลี้ยงปฏิบัต ก็บอกเขาป่ะก็บอกให้ผมป่ะอ๋อไม่ใช่ทำไมไม่ใช่แต่แล้วอาแล้วทำไมไม่คนอื่นอ่ะถ้าทำไมคนอื่นไม่ผมไม่ได้ไม่ดัคนอื่นก็ไม่ดังแล้วทำไมผมคนเดียวกันที่ต้องตรวจต้องมีเหตุผลน่ะคือจะปฏิบัติอะไรกับผมมันี่ยต้องมีเหตุผลตามกฎหมายนะครับพี่ก็ถามดูล้ว่ะ ไม่ใส่โต๊ะเงนแล้วก็ถูุเรียกแล้วก็อย่ยอมเด้อแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแล้วก็บอกว่าอย่าทาเหมือนพวกนี้ตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาก็มีจิตนาที่ไม่ดีแต่สุดท้ายอัลลอฮฺสุบฮานาอฺอย่ามาลูน่ะบีมาอย่ามาลูนมูฮิตอัลลอฮฺนั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทํากันหมู่ตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเขา นเป็นภาคปฏิบัติเรารู้และตอบแทนเนียนสาสมทุงแสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรรูู้ฟิลใบตายเือสิบสอนะและหนีลยเลยทิ้งสดเลยนะจนนบีม u h มม m a ลซาร์กงอาสาฝังท้อฝังคนนี้ไงหนีมุตรลุดเลยไงชาวบูเรนีมุตรลุดเแล้วก็ทิ้งสพเป็นกุก กุอยากุล so ักกูใหญ่ทิ้งไว้เสรวกูแล้วบีก็ต้องฟังถูนยาบันกูนครกลับีก็ถุนหุ่มใหญ่คุนหลุ่มใหญ่นั่นก็ได้บอกเออไปลีหลุ่มใหญ่แล้วก็ฟังพวกผมว่าคุนง เป็นกระบวนการนะความผิดที่มันเกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยเป็นกระบวนการนะบางทีก็เกิดจากนับสูของตัวเองแต่บางทีก็เกิดจากฉชืตอนบรกม า, กายตัวเชื้อตอนตัวจริงเลยนะเช่นในสองคำบัตรเชื้อตอนก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ لَمَنَعْلُوهُمْ شَرَّكَ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ا ل ش َّ ي ْ ط َ ا ن ُ أَرْبَعَ لَهُمْ وَقَالَ لَغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ ا ل ن َّ ا س ِ وَإِنِّي د َ ا ر ٌ لَكُمْ ف َ ل َ م َّ ا ت َ ر َ ا ء َ ت ِ ا ل ْ ف ِ ئ َ ت َ ا ن ِ نَكَصَ عَلَى بِبِيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى ر َ خ َ ا ف ُ اللَّهَ وَاللَّهُ ش َ ر ِ ع الْعِقَاب ว่าอินทรย์เราเลิมุชิตาลเราลิจมรำลึกขนะที่ชัยตอนได้ทำให้สวยงามไปพวกเขาซึ่งการงานของพวกเขาและมันได้กล่าวว่าวันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ชนกพวกท่านได้แต่แท้จริงนั้นฉันคือผู้ช่วยเหลือพวกท่านอิบลิสตัวอิบลีสนะมาดูตัวเองเลยนะ เป็นร่างในรังของสุรากัอิบนาลิกอิบนุจูรชุมเป็นหัวหน้าเผ่าๆหรือเผ่าใหญ่ในคาบสมุทรมาที่กองทัพของอุเรจะบอกว่านี่นี่กองทัพแบบนี้สุดโอดนี่แล้วนะพวกท่านนี่นะฉันับน่ๆแล้วก็ฉันนี่นะจะช่วยเหลือพวกันานเรไม่ต้องกลัว ตอนนั้นองุเรชเนี่ยเคยมีสงครามในอดีเนยกับหลายเผ่าในเข้าสมุทรอาราอุเรชก็กัวว่ายกทัพไปสู้ในบีบบุหมห์มัดหรือพวกเผ่าเนี่ยเข้ามาบุกเหมือนกัสุราก็เลยก็ไม่ต้องกลัวสำหรับเผ่าบันุบักเนี่ยที่เคยเป็นตอกับกับชาวอเรชเนียไม่ตอวรบะร ตองผมจดการให้ไม่มมนต้องววมุ่งไปในหะนังพวกเจ้าที่ต้องชนะแน่นอนไม่มีวันแพ้มีใครนะตัวอิงลิสเองนะเพงรานะ่าเนีเขาบอกว่าอับดุลลาห์มีอัม บ, บสาสทุกคนนี่นะไม่มีความสงสัยเลยว่าเนี่ยสุราค้อนหัวหน้าเผาเอ่อสุภาพบุรุษมุติลิจรูกกันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนดังอนะ่ะ ในข้ามสมมุตะนตไม่มีใครสงสัยเลยว่าสุรากอนีสุรากะฮวนะเผาเป็นมาด้วยตัวเองนะมาให้กําลังใจชาวอุเรชแต่แท้จริงสุรากอนในตอนนั้นนะรับอิสลามแล้ยสุราก้อตอนนั้นนะครับสุราก้อในที่ตามนบีทำได้ไหมที่นบีตอนอพยพแล้วก็อุเรชประกาศประกาศว่าจะให้รางวัลใครที่ได้ กับท่านมมหัมมัดเป็นหรือตายเนี่ยจะให้อูงร้อยตัวพอคนจะบินมหัมมัดหนึ่งร้อยมหนึ่งร้อยตัวแล้วสุรากาตันนั้ น, นก่กากำลังไปลาสันเดือนสายนไปได้กินข้างแล้วเนี่ยแกเหมือนนี่เห็นรอยเท้าของท่านนมมมัก็ได้ตามไปขี่มาแล้วก็ตามไปกว่าว่าจะได้รางวัลอูดร้อสองร้อยตัวเนี่ย ขี่ม้าหนีไปไปล้วท่านนบีสุลต่านละอับบะร์พอหิ่นแล้วอะท่านละอบบะรเ่ยใกล้จะถึงแล้วอะนะขี่ม้าีนใกล้จะถึงแล้วเนี่ยขาม้าทั้งสีเนี่ยจมไปในในสายสเรื่องมกติสุราก็รู้เลยวันนี้รู้รู้ดีใเพอยยุฮัลหุลอัลลอฮฺ ดูใจฉันเลยฉันฉันเลิกแล้วฉันตระบัดตัวนบีก็ขอดูอ่ายเขาก็วิ่งตีกจะล่าอีกกะจงไปอีกจนสุดท้ายเนี่ยเห็นความเชิดเจความสามารถของท่านนบีเนี่ก็เลยกล่าวชดานะครัแล้วเขาเข้าไปคุยกท่านอัลลอฮมัมมัดลลนบีอ่านุาในสุราเขาฟัง แตมกุยสุราขะมา غن ูกโอสุราขะเออเจ้ามีแต่ละฉันแล้วหรไล่ล่าฉันเนยจะได้ได้่างวัน้นแต่เจ้าคิดยังไงถ้าเจ้าเนี่ยจะได้สวมสูมกาไรแล้วก็สวมองคุณของของกิสรอลเนี่ยคืสังคมเมสองี สุราก็เลยบอกว่าท่านสั่งท่านสั่งให้ให้กระบวาการทำอะไรว่าท่านปกปิไม่ต้องว่าต้องบอกใครนะต้องอย่ให้ถูกแก่สุราก็เลยก็ไม่ไม่มด้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจนกระทั่งท่านดับสมุสอมาวานีมุสลิมได้ชนะใ้สงครามบัตแล้วเนี่ยสุราก็เลยไปไปหาท่านดับิสมุรอบหนึ่งทานดับบิสเสียชีวิตในช่วงสงคราม ا ل ق د س ي ة لسعد يقاضي ن ب لغة ع ا ن ا جب ب س ن ي لونيه جاءت من أوسكادي بسبب صوم بقون إ س ر ا ل ا ل ك ة ك س ر ا ل نا ك س ر ا ئ ي ل س ا ب و ة ي ن ي ك س ر ا ئ ي كملة وقاسق กษัตริย์ในในภาษาไทยนี่ก็มาจากสันสกฤตนะแล้วก็เปอร์เซียนีก็สันสกฤตเหมือนกันนะกษัตริย์นีก็มีรลออเนือตอนท้ายนะมันก็อันเดียวกันน่ะกิจสุลานี่ก็คือกษัตริย์นะเตรีมทรสมบัติส่งไปให้พาุหนึ่งนั่นก็คือมงบุญแล้วก็ธงไงแล้วก็เคื่อประดับประดาของกิสุ ท่นท anyway, ่อัมอลลุนเขาตอบดีแค่เครื่องประดับปะดาของกุศรอนี้เดี๋ยเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยอ่ะเครือประดับประดาอย่างเดียวน่ะเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยอัมอลลุนเขาตอบเรียกยาสุร่ากัสว่าตรวสู้ตัสู้อยู่นะสุราขมันนี่คำสัญญาวั่นของท่านจะมีคือให้ใส่อย่างเดียวน่ะให้ใส่แต่ไม่ใช่ให้นะเพราะนายู่ว่าจะใช้ใส่อย่างเดียวน่ะ เพาะทรัพ์สมบัตต้องแบ่งนะเป็นทรัพย์เต้องแบ่งใช่ไหมตามเรื่องเรื่องต่ทัพยเดลยต้องแบ่งแต่ น, น, ตแแตนี่การใสย่สยส่เนี่ยเพื่อให้ปรากฏซึ่งคาสัญญาบ้านมอผมได้มีว่ามันเป็นจริงเนี่ยสุราเป็นยนี่ห้อชุมพงเอะเนี่ยไออีฟลิสเนี่ยมันเป็นแบรนด์ลางเป็นตัวสุราตันเราไม่รู้ว่าสุร า, ารตันแต่เอนฮิจรานะเป็นฮิจรานิสุราตันรับอิสลามเลย สุนทรควรีกจะรับสัญญาว่าว่ากษัตริย์กษัตริย์เปอร์เซียนี่จะล้มเหลวไอ้ไหนถึงไหนแล้วเอาว่าสุรเขอกว่าไม่ต้องกลัวตัวฉันจัดการให้วัวปนูบักที่จะมาที่จะมาหากหลังพวกเจ้านี่ไม่ต้องกลัวตัวฉันจัดการให้แล้วส่วนในสงครามนี้มีอะไรที่จะส่วยอิบลิสเคน พวกสินตอนมาหลายตัวด้วยมามาช่วยรถช่วยทําสงครามบุระยาเบสบกซึ่งเรื่องนี้แรงงานกือทั้งหมดนะครับมีสหภาพประมาณสี่ห้าท่านในทีเร่งงานเนี่ยเป็นสหภาพนะคนลาก็บอกว่าแน่นอนบรงกานที่ต้องมาถึงท่านจะมีส่วนประกอบในอุตสาหกรรมและก็มีส่วนที่สหภาพได้เห็นเองดูดูเร่งงานบางส่วน แต่อันนี้เนี่ยที่ว่าเหตุการณ์นั้นสาบว่าไม่ได้เห็นว่าซูรอก่อนนี่เป็นหลอกเขาอย่างไงเพราะในคุตอากาศไม่ได้ไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่รายละเอียดเนี่ยจะสาบว่าแน่นอนต้องต้องมาจากท่านนักบุญซูรอก่อนครับทุกท่านเนี่ยรู้ไหมครับว่าพ่ออิบลิสทราว่าของทั้งสองมักกรนี่เป็นปฐากันมีเนี่ย ก็อิบลิสเนี่ยฮินจิบริลมาดิจิบริลลักะจิบริลจิบริลนำหน้ามีกาอิลอยู่ข้างขวาอิสราวีลอยู่ข้างซ้ายมาในนี่เขาเรียบอูเขาอูเขามาเลยกันทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเนี่ยอูเขามาเลยกัซึ่งผมพยายามหาภาพใหญ่วันนี้จะได้เห็นแต่ละอันนี้เนี่ย เเรกกสิบ no ุรพนันเป็นอัดวัตุดุนอันดุนยาของทัพของท่านนบีอุบามยประมานตรงนี้แล้วก็ข้างๆนี้นะก็จะเป็นเจเบลุนมาลกัภูเขาของมาเลย์ก็คือภูเขาลูกนี้นี่ภูเขาลูกนี้แต่ตอนนั้นไม่มีถนนหน้าที่หลังนะภูเขาลูกนี้นี่ภูเขาใหญ่นะแต่เป็นสายอย่างนึเี่ยแปลกมาก เอ็นีรุ๊เขามาอะไรกันอิบลิสีบอเห็นจิบรีลโลมากรรมาอะไรกันอิบลิสเห็นที่ไหน้าเป็นสุรก็นะแล้วก็ชาวมคธิ์ีก็เห็นหน้าเป็นสุรกาณไม่ใช่อิบลิสนะต้องต้องเข้าใจนะเพราะอิบลสเห็นจิบรีลมาเนี่ยรู้แลยเป็นใครอะครก็ก็คือกันไงตั้งแตนู้ะสมัยนบีอัลกุอ อิบล oh oh oh ิสอยู่กับมา a ลก้าก็ไม่บาดาลกับมาเลก้า a ครอย่างนะจนกระทั่งจนกระทังถูกเรียกพราะบอกมาเลก้าเราเป็นพวกเดียวกันพอเรสั่งให้มาเลก้าสุญูดเนี่ยตอนนั้นอิบลิสอยู่กับมาเลก้าทางอิบลิสไม่ใช่มาเลก้านะอิบลิสเป็นจินแกนั้นเป็จินนี่อิบลิสเป็นจินอะไราทำไมทำไมตอนเราสั่งมาเลก้าให้สุญูด อิบลิสันก็บอกได้นี่ผมไม่ช่วอะไรกาดิผมไม่ได้ยินไม่แต่อิบลิสเนี่ยยุกถูกยุกระดับคิดดูดิจนกระทั่งดูีกว่าตอออุสุมาลัยกาดิแบบว่าเป็นเป็นเป็นฉายามเป็นคนเป็นเป็นผู้ที่ทาไม่บาดาขยันทำไม่บาได้อย่างมากถูกยุกระดับเหมือนอยู่กับมาลัยกาดิแล้วถูกสั่งให้สุูให้นามีอาดังพร้อมๆกับมาละยเนี่ยไม่ยอม แสดงว่ารู้จักใครไปรู้จักดีแล้วสี่คนมากเลยข้อหินจิบริลมาแล้วนะครับข้อจริงจังข้อหินจิบริลมาแนะวันนี้จับหลับผมแล้วที่นั่งจังคือผู้ช่วยเหลือพวกท่ลัมาตออติฟอาตาครั้งเมื่อทั้งสองฝ่าย่างมองเห็นกันแล้วนี่ไอังไงล่ะไอยังไงล่ะนะ มันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมันคือขันหลังยิบริปุยอย่างเงี้ยยิบรุ ย, ยไป แ, แต่ชาวมักกะเนี่ไม่รู้ว่าเป็นอิบลิสไงเห็นหน้าตาเป็นสุราก็ไม่มีใครสงสยัยเลยเพื่อนๆนะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่เป็นชาวโคเรชเนี่ยที่เล่าให้มุสลิมดูเดินกันน้นะจับมือสุรคาค็เดินไว้มือเนี่ย เดินเป็นวิธ e ซีด ส, ส, สนิทกันมากไั น, นะพอสุราก็บอกว่าเฮ้ยบวกท่านนี่ชนะแน่นอนช่วยแน่นอนจับมือกันเขย่ามือกันไปกันมาพอเห็นิบรีสมาหังสนเลยฮ ะ, ะอ้ามสุราก็ไปไดินเองหนวันจะช่วยเราอ่ะยบรีสก็เลยบอกว่าข้าเ่านนี่บรีอุมมิงอุมอินนี่อ้ามาเราจะรออุมเปลา่าแท้จริงฉันไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่าน แท่จริงฉันกำลังเห็นสิ่งที่ปกติไม่เห็นก็คือก็คือมันพูดเหมือนเหมือนโ๊โตหมอไม้เท้ากูไม่ใช่มหมนึกถึงฮ่าฮ่าฮ่ากูไม่ไมนกถึงที่มีความามายอแตรเราด้บลิสที่สิ่งที่ปกตินไม่เห็นเด้ อนีอข้าวุ่นลาห์วะอัลลอฮุชดิดมะอะตัดินฉันกุรอห์ลาหละอาบัมันบินอุซุรุนแรงุนิกาลุตุนอิบลิสูร์ดาอิบลิสุวอัลลอฮ์ดาคนนี้คนที่คนที่ไม่มีเรื่องนี้เลคือชั่วแล้วก็ไม่กลัวอะไรยัเล้ยไว้อิบลิส เย่ไออิบลิสจะทำอะไรอิบล ah ิสอิบลิสมาบอกฉันว่าม่ควรฉยกางอัาสวันอิบลิสเนี่ยนีอตเลยนไปทางทิศของทะเลแล้วก็ไปกระโดดในทะเลซึ่งสอดค้องกับารี่สอุตรดุมุสลิม่ว่าอิบลิสเนี่ยจะตั้งบันลาของเขาเนี่ยบนน ในสมมูลแรงงานของมารรันนี่ยตั้งบัลลังก์ของเขาในน้ำทะเลเขาบอกอโมตอมจะบ้าแรงงานตรงนอีิลลิสเนี่ยหนีอุตลุลเลยนีนะหันซ้นแล้วก็หนีไปทางทะเลแล้วก็กระโดดในน้าแล้วตะโกนลั่นนะลั่นและลั่นดูอากาศออกมาโอ้โหมาดูรูแล้วว่า ถ้าอัลลอฮ์ส <81 cuz 1988> ่งยิบรีแล้วนะอันนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วส่งยิบรีมาช่วยระสวนนี่ไม่ได้ก่อนแน่นี่นะอิบลิสนี่ก็อยู่สมัยนบีนูก็อยู่สมัยนบีบรหิมก็อยู่ใครจะใครก็อยู่แต่ยิบรีลงมารบเองกับนบีนี่ไม่เคยปรากฏไม่เคยปรากฏอัลลอฮ์ส่งยิบรีมารบมาสู้รบกับนบีท่านนึ่งอ๋อันนี้ กันนี Allah, wrong, wrong, ้แสดงอิมลิสก็เลยทวงคำสัญญาโอ้แม่สัญญาที่พ่อองสัญญากับฉันว่าจะให้อยู่อีกนานยันเกี่ยวกันหมายถึงว่าเพิ่งเอาชีวิตฉันมาสัญญาเอาจริงเหมนเรื่องเอาจริงกระบวนการใช่ตอนอันเป็นอุบายที่หน้าบ่นแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้น ในทุกอยู่รูปสมัยก็ได้ที่มามีหน้าเมยันเรีย น, นสินวีหมดฟต่ว่นมีน้าฟต้าว่าลฮุยเนี่ยท่านเดกพูดเองนะว่าพวกชั้นตอนจะแปลงร่างจะแปลงร่างเพื่อหลอกลวงผู้สัตธาเช่นอีม่มามจุนัยเคยเดินในทะเลสาย เปเดินในทะ เ, เลทรายบางเลนเนี้ยก็เป็นอน ม, มาที่ขยันทห้บ้านเราได้ถ้ า, า, าอยู่ดิก็มีแสงสว่าง ม, มาจากฟ้าฟ้าเเหมือนเป็นเป็นเสาเน่เป็นเส า, สาเป็นแสงมาจากฟ้าฟ้ า, ฟาโ อ, อย้ยไี่ฉันนี่คือองค์เรเจานี่ขยันทาไม่บ้านเพอแล้วเจ้านี่ไม่ต้องทำใบานเรตไป อยู่้วนี้ก็เลยจับก็หินแล้วกวามหนุอูู้มันเหนือยันเหื่อเสียตอ น, น, นแปแปลงร่างเพื่อลองหนุนที่มิเตีเมียบอกว่าเล่าเกิดขึ้นกับตัวเขาเองตัวเขาเองเขาบอกว่ามีคนมาเล่าให้เราฟังเขบอกว่าเรานี่เห็นท่านจะบินนะบินในอากาศเ แล้วก็มาสั่งให้เราทำอะไรที่มันผิดผิดไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถึงนุ่แปลงนะครับบางทีเนยก็จะมีคนีแอบอ้างแอบอ้างหมดเป็นผู้รู้หรือแอบอ้าหมดเป็นคนที่มีคุณิธรรมหือเคยอจานทำเป็นมาได้แล้วว่าหลุงหลงเพรอะไรแบบนี้ออจะเห็น ฉันไปได้แล้วคุณก็ต้องฉันเห็นน บ, บีฉันเห็นอีหมานน่มาคนนู่นอีหม่าคนนี้ฉันเห็นตุ<ช>๊กคูนั้นเห็ น, น, หนบ่าวเป็นๆมาเลยแต่มาโอ้โหนี่จับมือยังซึ้บุญๆเลยนะโ อ, โอ้โหเนี่ยแล้วก็เมื่อได้จำได้ น, ไนี่นิ้วเนี่ยตอนนั้นมีแผลกี่รอยแผลตรงนี้เนี่ยเหมือนเลยอะ่ะมันจะตอนมันจะแปลงร่า ง, างไม่ได้ โอกาสที่จะเป็นแบบนี้เนี่แล้วเราจะจะป้องกันตัวเองได้ไงอะไม่หลงได้ไงอ่ะไดเดี่ยวอิบลสชตอนจะไม่แปลงร่างเพื่อมาสั่งการให้เราทำความนีอันนี้มั่นใจได้เลยไม่ใช่เรากาลังจะไปบ้าจะไปจะไปจะไปขอเอาเก๋นะแล้วก็จะเจออิบลิม่ไม่ไม่มาสมบูกันนีกนั้ง ไม่ทําด้เยก็จะมาสร้างความขุยด้วยการโดยให้หลงแบบนี้วิธีแบบนี้แต่แล้นเราไม่ต้องสงสัยเลยถ้าฝันเห็นอะไรแปลกๆนะคนที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักแล้วก็มาสั่งให้เราทําความชั่วนั้นไม่ใช่ะตัดบทไปเ ครับคุณจะฝากเพียงแค่นี้ t o ครับบาง